Damn. Um. มีของพองดงามสวยแม้สังขารจะเปลี่ยนแปรไปแต่หัวใจยังเหมือนวันวานพอเชี่ยวชาญในทุกศามบันลือสีหนาะ ว่ามหาชนเปรมปรีขอพระพ่อเตรียมหล่นบุญบา You're my only love. สีขนาด้วยความองอา หาชนเปรมปรีขอพระพ่อเบียยหล่นบุญบา สองทางชีวิต